น้องชายขี้อิจฉากับยักษีนี่ตัวเขียวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรแห่งเกเลกอสจึงมีทหารคนหนึ่งอาศัยอยู่ชื่อของเขาคือเดวิดเดวิดเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของราชาและได้รับความเคารพอย่างมากจากผู้คนทั่วอาณาจักรเด็กชายตัวเล็กๆมีเขาเป็นต้นแบบและคนเฒ่าคนแก่ตามปรารถนาจะมีลูกหลานเช่นเขาเดวิดเดวิดเดวิดขอบคุณมากนะเดวิดเจ้าช่างมีเมตตาตอนที่ข้าโตขึ้น ถ้าอยากเป็นเหมือนกับท่านทุกๆคนต่างรักเดวิดยกเว้นน้องชายของเขาแดนนิสแดนนิสเป็นน้องชายของเดวิดและอิดชาเข้ามาตลอดเขาเป็นคนที่ขี้ขลาดตาขาวและไม่มีนิสัยใดที่คนชื่นชอบเช่นเดียวกับพี่ชายของเขาเลยอย่างไรก็ตามเดวิดก็รักน้องชายเขาน้องรักเจ้ากินอะไรหรื อ, อยังอ้อไม่ต้องมาเป็นห่วงข้าหรอกนะเก็บความหวังดีของเจ้าไว้ใช้กับตัวเจ้าเองเอะแต่ว่าน้องรัก แดนนสก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเดวิดได้รับเหรียญตาอีกเหรียญเป็นรางวัลสําหรับความกล้าหาญจากราชาแดนนิสโกรธมากไม่ไหวแล้วข้าทนไม่ไหวอีกแล้วข้าอยู่ใต้เงาของพี่ชายข้าต่อไปไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องไปจากที่นี่แล้วและเช่นนั้นเขาจึงควบหมาออกเดินทางไปยังอาณาจักรใกล้เคียงเขาควบหมาเป็นเวลาหลายวันจนในที่สุดก็มาถึงป่าแห่งหนึ่งเขาตัดสินใจหยุดพักที่นั่น ในที่สุดข้าก็หลุดพ้นจากพี่ชายและแฟนคลับของเขาสักทีแม้แต่ราชาก็ยังยกยอยเขาไม่หยุดทันใดนั้นเขาก็สะดุดตากับตะเกียงที่วางอยู่บนพื้นใต้ต้นไม้มันเรืองแสงและทำให้แดนนิสรู้สึกประหลาดใจอย่างมากช่างเป็นตะเกียงที่แปลกจริงๆเขาหยิบมันขึ้นมาและมองดูอย่างสงสัยมันก็ดูไม่มีอะไรเลยนี่ไร้ประโยชน์จริงๆแต่มันก็เงางามดีเหมือนกันนะ เอามันไปด้วยก็แล้วกันบางทีข้าอาจขายมันได้ในตลาดในหมู่บ้านถัดไปและอาจจะซื้อบางอย่างจากมันได้ดังนั้นเขาจึงเก็บตะเกียงไว้ในกระเป๋าและออกเดินทางเพื่อหาของกินเขาเก็บแอปเปิ้ลสำหรับเป็นอาหารและวางพวกมันไว้ใต้ต้นไม้เพื่อกินมันในขณะที่เขากำลังจะกัดแอปเปิ้ลเขาได้ยินเสียงบางอย่างเรียกเขาขึ้นมานอยทนให้อาหารข้าด้วยนอยทนข้าหิวฮะใครกันะ นายทอดข้าเองข้ารับใช้ของท่านไงเอาข้าออกมาทีนายท่านให้อาหารข้าและข้าจะมอบทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาแ น, นนี้ตกใจมากเขารู้ว่าเสียงนั้นมาจากกระเป๋าของเขานี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมเขาหลวงเข้าไปในกระเป๋าและนำตะเกียงออกมาเออสวัสดีเออมีใครอยู่ไหมใช่นายท่านข้าอยู่นี่ฮอ นายท่านไม่ต้องกลัวข้าเป็นข้ารับใช้ของท่านแค่ทูที่ตะเกียงแล้วข้าจะออกมาแล้วข้าจะแน่ใจได้ไงว่าเจ้าจะไม่ทําร้ายข้าเพราะท่านคือผู้ถือครองตะเกียงใครก็ตามที่ครองตะเกียงก็คือนายท่านของข้าแดนนิตคิดอยู่ครู่หนึ่งเออคงไม่เป็นไรหรอกมั้งลองดูสักหน่อยดังนั้นเขาจึงถูตะเกียงให้ท่านใดนั้นได้มีควันออกมาควันเปลี่ยนเป็นยักษ์จีนี่ตัวเขียวแดนนิตผงะไปเล็กน้อ ย, ยน้อยทอน ขอบคุณที่นำข้าออกมาข้ายุงมาขอกินแอปเปิ้ลได้ไหมฮะเออตามสบายเลยแดนนิสมองดูยักษ์จินนี่กินแอปเปิ้ลในไม่ช้าเขาก็ลูบท้องแล้วเรอออกมาเออโทษทีโทษทีอีอ๋่่บอกข่ามาสินายท่านว่าท่านปรารถนาสิ่งใดข้าจะมอบให้ทันทีอืมสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ข้าสิเอาแบบที่หรูหราที่สุดในโลกเลย แม้แต่ราชาก็ไม่เคยมีเลยนะพร้อมที่ทนต้องการนายท่านและท่านใดนั้นจากควานและก้อนเมฆก็ได้กลายเป็นบ้านที่สวยงามมันงดงามและมีสีสันที่สวยงามอย่างมากนกมากมายต่างส่งเสียงร้องอยู่ ร, บรอบอว้าวนี่วิเศษไปเลยนายท่านต้องการสิ่งใดอีกไหมข้าอยากให้เจ้านำเจ้าหญิงลาหน้ามาให้กับข้าโอ้แต่ว่านายท่านนั่นเป็นการลักพาตัวนางนะท่านต้องการให้ข้าทาจริงเหรอใช่ แน่นอนนั่นเป็นทางเดียวที่จะได้แก้เผ็ดพี่ชายของข้าข้ารู้ว่าเขาหลงรักนางอย่างมากตามที่ท่านบอกก่อนหนอยท่านดังนั้นจินนี่จึงไปที่วังและแอบเข้าไปในห้องของเจ้าหญิงลา น, น่าเจ้าหญิงลา น, น่ากําลังหลับอยู่เมื่อสอบโอกาสจินี่ได้ใช้พลังเวทมนต์ทําให้เจ้าหญิงหายตัวไปแต่ว่าในตอนนั้นเองสาวใช้ของเจ้าหญิงลา น, น่าได้เข้ามาในห้องและเห็นยักษ์จีนี่เธอกรีดร้องออกมาอย่างเสียงดัง โอสาวใช้รีบวิ่งออกไปนอกห้องแล้วร้องเรียกทหารยามจีนนี่รีบดิ้นนิ้วของเขาและหายตัวไปในทันทีเดวิดพร้อมกับทหารรีบเข้ามาในห้องแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วกลับมาที่ป่าในบ้านของแดนิสเจ้าหญิงและจีนี่ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นจากการหลับไหลเธอพบสภาพแวดล้อมที่ต่างไปเธอตกใจอย่างมาก อนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนกันข้าขอโทษด้วยนะเจ้าหญิงแต่ข้าได้รับคำสั่งจากนายท่านให้พาตัวท่านมานายท่านงั้นเหรอแล้วเจ้าเป็นยักษ์จีนี่จริงเหรอนี่เป็นความฝันสินะทันใดนั้นแดนิสได้เข้ามายังห้องพร้อมกับกรบมือยินดีต้อนรับเจ้าหญิงหรือข้าควรจะเรียกว่าเฉลยดีล่ะฮาแดนิสเป็นเจ้างั้นเหรอเจ้าต้องการอะไรจากข้าน่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ก็เราได้ขึ้นอย่างนั้นเหรอข้าลักพาตัวเจ้ามาอย่างไรล่ะเพื่อที่ข้าจะได้สั่งสอนเดวิดและให้บทเรียนแก่ทุกคนในเกลกอดบทเรียนอะไรกันน่ะเจ้าพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยกลับมาที่อาณาจักรราชาทรงเสียพระทัยอย่างมากไม่ต้องห่วงขอรับฝ่าบาทข้าจะพาลูกสาวของท่านกลับมาให้ได้แต่เจ้าจะทําได้อย่างไงเดวิดนางถูกลักพาตัวไปโดยยักษ์จีนนี่นะด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งนี้ไงล่ะเดวิดบอกกับราชาว่าเข็มทิศอันนี้ สามารถติดตามสิ่งเหนือธรรมชาติได้ตามทิศทางที่ลูกสอนชี้ไปนั่งอยู่ในป่าแห่งอัลบานถ้างั้นฝากด้วยนะเดวิดผู้กล้าพาลูกสาวข้ากลับมาด้วยนำตัวคนที่กล้าจับตัวเธอไปมาด้วยนะข้าจะลงโทษมันอย่างสาสมเลยเดวิดพยักหน้าจะออกเดินทางพร้อมกับเหล่าทหารแล้วการลักพาตัวข้าจะสั่งสอนเดวิดได้ยังไงกันออเพราะว่าเขาตกลุมรักท่านอย่างไงล่ะ เจ้าหญิงลาน่าดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นจนเธอลืมไปว่าถูกลักพาตัวอยู่อะไรนะเขาหลงรักข้าอย่างนั้นเหรอข้าก็หลงรักเขามานานแล้วเหมือนกันขอบคุณมากนะแดนนิสนายช่างแสนดีเหลือเกินว่าไงนะแสนดีเหรอข้าไม่ได้จะแสนดีอะไรหรอกนะข้าคือแดนนิสนายท่านของยักษ์จีนนี่ในทางเทคนิคนะนายท่านข้าเพียงคนเดียวดังนั้นหุปากซะ มันไม่ได้สําคัญอะไรทั้งนั้นหรอกข้าลักพาตัวท่านมาเพื่อต่อรองท่านกับอณาจักรเกลกอดและเมื่อข้าได้เป็นราชาแล้วก็ข้าจะกักขังเดวิดไว้และข้าจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดกาลฮาดนิสไม่เอาหน้าเจ้านี่ยก็รู้จักพี่ชายของเจ้าดีกว่าใครไม่ใช่เหรอเจ้าคิดว่าเขาจะยอมแพ้เจ้าและยักษ์เขียวตัวนี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ให้ความเคารพกันหน่อย เจ้าลักพาตัวข้ามาจากบ้านของข้าในตอนที่ข้าหลับอยู่น่าขอรักตายละ่ะออข้าขอโทษด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเจ้ากำลังเชื่อมสัมพันธ์กันงั้นเหรอข้ากําลังทำภารกิจอยู่นะทันใดนั้นหน้าต่างได้เปิดออกและเดวิดก็เข้ามาข้างในพร้อมกับเชือขอโทษด้วยนะที่ข้ามาช้าท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าหญิงโอ้ไม่เป็นไรเออข้าสบายดีไม่มีรอยขีดข่วนเดวิดยิ้มออกมาและหันไปที่ด้านหนึ่งของห้อง พบกับน้องชายและยักษ์จีนี่เขาประหลาดใจอย่างมากเดนิสเจ้าใช่ข้าเองข้าเป็นคนลักพาตัวนางมาเองแต่ว่าทําไมกันเพราะว่าข้าเกลียดเจ้าอย่างไงล่ะข้าเกลียดทุกคนที่สรรเสริญเยินยอเจ้าแต่ไม่มีใครทําเช่นนั้นกับข้าเลยข้ารู้สึกว่าเหมือนข้าอยู่ภายใต้เงาของเจ้าอย่างไงอย่างนั้นข้าทนมันไม่ไหวอีกแล้วแต่ว่าน้องชายข้ารักเจ้านะพอสักทีจีนี่จับเขาซะ แต่ว่าจีนี่ไม่เคลื่อนไหวเลยแดนนิสหันไปทางเขาจีนี่เขาไม่มีอำนาจภายใต้เข็มทิศของขา้าขอโทษด้วยนะนอะ้องรักแต่การผจญภัยเล็กๆของเจ้าคงต้องจบลงตรงนี้แดนนิสพุ่งเข้าใส่เดวิดด้วยความโกรธแค้นแต่แล้วทหารก็ได้เข้ามาขวางและจับกลุ่มเขาเดวิดนํายักษ์จีนี่กลับไปในตะเกียงและมอบมันแด่เจ้าหญิงลา น, น่านี่สําหรับท่านเจ้าหญิงมันควรอยู่ในมือของท่าน เจ้าหญิงลาน่าญิ้มออกมาและโผเข้ากอดเดวิดอ๋อข้ารักเจ้าจังเลยเดวิดในวันเดียวกันนั้นเดวิดได้กลับมาที่พระราชวังพร้อมกับเจ้าหญิงและมอบตัวน้องชายของเขาให้กับราชาราชาดีใจมากที่ได้ตัวลูกสาวคืนกลับมาพวกเขากอดกันและหลังจากนั้นราชาจึงหันมาทางเดวิดพ้อผู้ใจในตัวเจ้ามากเดวิดเจ้าแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเจ้าเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่เพียงใดบอกข้ามา ว่าเจ้าจะให้ค่าลงโทษกับน้องชายเจ้าอย่างไรโอฟาบาตข้ารู้ว่าน้องชายของข้ามีความผิดในโทษฐานที่ลักพาตัวเจ้าหญิงแต่หัวใจของคนทะเวีปพี่คงไม่สามารถทนเห็นน้องชายของตัวเองถูกลงโทษได้นั่นทําให้ข้าขอร้องท่านปล่อยแดนนิสให้เป็นอิสระด้วยเถิดข้าสัญญาว่าเขาจะไม่ทําอันตรายต่อผู้อื่นอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นน้ําตาของแดนิสก็ไหลออกมาเขารู้สึงแล้วว่าพี่ชายรักเขาเพียงใดเขาคุกเข่าลงในทันที <c oughs> ข้ามองท่านผิดมาโดยตลอดท่านพี่วันนี้ข้ารู้แล้วว่าทําไมเขาถึงเรียกท่านว่าผู้ยิ่งใหญ่ราชาที่เห็นทั้งหมดนี้ตื้นตันเป็นอย่างมากดูเหมือนเจ้าได้รับบทเรียนแล้วสินะแดนิสแต่ข้าต้องลงโทษเจ้าข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นอศวินของกองทัพ <c oughs> เดวิดและเจ้าหญิงลา น, น่าแต่งงานกันในงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และแดนนิสก็มีความสุขมากและสําหรับยักษ์จีนนี่เขาถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากเจ้าหญิงลา น, น่าแต่เขาเลือกที่จะอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้และคอยสอนเด็ ก, เดกๆเกี่ยวกับความใจดีและมีเมตตาจบบริบูรณ์